จเจริญพรท่านสาสกาชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2545วันนี้ญาติโยมคงจะสังเกตเห็นว่ามีพระเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่า เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน94นายได้บวชอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าอันเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่สมเด็จย่าได้สเสด็จสวรรคตไป <c oughs> การบวชในพระพุทธศาสนานนั้เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นกิจกรรมที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งกับผู้บวชเองและกับพระพุทธศาสนาเพราะผู้บวชก็จะได้รับผลอันประเสริฐจากการบวชถ้าสามารถปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน นั่นก็คือได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสสิ้นสิ้นความทุกข์สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับเราทุกๆุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเ็จะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ตามสามารถที่จะ ละบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้ า, าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงเพียงแต่ว่าถ้าได้บวชโอกาสที่จะได้บรรลุถึงธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นไปได้สะดวกง่ายได้กว่าเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาคอยน่วงเหนี่ยวคอยถ่วงรัางไว้ชีวิตของ นักบวชจึงเป็นชีวิตที่ <c oughs> สามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมยังต้องมีภารกิจเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูชีวิตของตนเองเวลาที่จะมีมาศึกษาและปฏิบัติธรรมยังมีน้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลอันกระเสริฐจากพระพุทธศาสนาถ้าสามารถศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ก็สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับนัก บ, บวชและในทางตรงกันข้ามถ้าได้บวชแล้วแต่ไม่ได้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ต่อให้บวชไปเป็นเวลาหลายสิบปีก็จะไม่สามารถบรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับทับพีในหม้อแกงทับพีนั้นถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงที่มีรสชาติอันวิเศษขนาดไหนทับพีก็จะไม่สามารถรู้ได้ถึง รสชาติของแกงในหม้อนั่นเลยเพราะทักทีไม่มีโสตประสาทที่จะรับรู้ไม่เหมือนกับลิ้นลิ้นนี้เพียงแต่มีหยดของแกงมาสัมผัสที่ปลายลิ้นเพียงหยดเดียว<ม>ก็จะรู้ทันทีเลยว่าเป็นรสชาติอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรการได้เข้าสัมผัสกับพระพุทธศาสนา จึงสามารถสัมผัสได้ด้วยสองลักษณะด้วยกันคือสัมผัสแบบทับพีในหม้อแกงหรือสัมผัสแบบลิ้นกับรถแกงถ้าสัมผัสแบบลิ้นกับรถแกงก็จะรู้ทันทีจะเข้าใจทันทีในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและส า, สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจสะอาดหมดจด ทำให้จิตใจปล่อยวางทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นอุปทานไม่รู้ว่าสภาพสิ่งต่างๆที่ตนเองไปยึดติดอยู่นั้นว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่ถ้าเป็นลิ้นแล้วจะรู้ทันที mm hmm. เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างบทที่แสดงไว้ว่า ทมอันใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาถ้าเป็นผู้มีลิ้นที่จะสัมผัสกับรสของธรรมจะเข้าใจความหมายของธรรมอันนี้โดยทันทีว่าทุกๆคนที่เกิดมานั้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้น เมื่อเป็นเช่นนั้นเราทำไมจะต้องไปเศร้าโศกเสียใจไปเสียดายกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่จะต้องเป็นไปที่เรายังเศร้าโศกเสียใจยังมีความอะไรอาวออยู hmm. ่ก็เป็นเพราะว่าใจของเรายังมืดบอดอยู่ยังเปรียบเหมือนกับทัพทีในหม้อแกงสัมผัสกับแกงที่อยู่ในหม้อเป็นเวลายาวนานขนาดไหน mm hmm. ก็ไม่สามารถรับประโยชน์จาก แกงในหม้อแกงนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวฉันใดทมของพระพุทธเจ้าก็ฉั น, นั้นพวกเราทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ได้ยินอยู่เสมอเรื่องของความเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ว่าเป็นเรื่องปกติของของภพชาตินี้ของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายรวมไปถึงของวัตถุสิ่งของต่าง ล้วนอยู่ในสภาพที่ไหลเวียนไม่นิ่งไม่คงที่มีการเจริญแล้วก็เสื่อมไปตามลำดับเจเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของนั้นๆบุคคล น, นั้นๆแต่จาเป็นเหมือนกันทุกคนในลักษณะที่ว่ามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วมีการดับไปถ้าเป็นคนที่มีมีความสำเร็จ ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้วนำเอามาใค่ครวนพิจารณามาปฏิบัติกับชีวิตของตนเองเมอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาสัมผัสด้วยร้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้ น, นมีมาแล้วก็มีไปอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่เสารานี้เพื่อทําบุญกันเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง เราก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเรารู้กันเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจในยามเวลาที่เราแยกจากกันไปแต่ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แสดงว่าเราหลงแล้วเราไม่รู้แล้วเราลืมไปแล้วว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพร่าจากทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยู่กับเราแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ยังต้องมีการสูญสลายดับไปในที่สุดถ้าเราสำเหนียกเรานำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเตือนสติมาสอนใจเราอย่างสม่ำเสมอทุกทุกวันถ้าเป็นไปได้ทุกทุกขณะในขณะที่เรามีเวลาว่างจากการกระทาอะไรก็ตาม ขอให้เราเตือนสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราชีวิตของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆในโลกนี้นั้นล้วนแต่มีการที่จะต้องจากกันเป็นธรรมดาสอนกันอยู่นี้เรื่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆถ้าไม่สอนแล้วเดี๋ยวมันจะลืมพอมันลืมมันก็จะเกาะมันก็จะติดมันจะยึดทันทีแต่ถ้าสอนอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆต่อไป จะไม่กล้าไปเกาะไปยึดไปติดกับอะไรเพราะผลของการเกาะยึดติดนั้นก็มีแต่ความทุกข์ความกังวลใจมีความเศร้าโศกเสียใจที่จะตามมาเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการทัดพรคจาก <c oughs> สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลทั้งหลาย มีสภาพเป็นเหมือนกันทั้งสิ้นมีการเจริญมีการเกิดมีการเจรเจิญมีการเสื่อมและมีการสลายไปภายในที่สุด <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกทุกคนที่ได้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาและปรารถนาที่จะได้รับผลอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาจำต้องนำไปศึกษาและเมื่อ น, นำไปศึกษาแล้ว จำต้องนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาตก็จะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสเวลาที่จะทำนั้นของนักบวชนั้นย่อมมีมากกว่าเพราะนักบวชไม่มีหน้าที่อย่างอื่นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องรรมาหากินไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวทรัพสมบัติต่างๆ มีเวลาเต็มที่ที่จะศึกษาและปฏิบัติทําได้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามแนวที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วคุณประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและกับพระพุทธศาสนาตนเองก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสนาก็จะได้รับประโยชน์จากบุคคลที่ได้บรรลุเป็นพระ อรียะบุคคลแล้วเพราะจะเป็นบุคคลที่สามารถสืบทอดและถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนาก็จะมีมีการมีการสืบทอดไปเรื่อยๆเพราะเมื่อผู้ที่ไม่เคยได้ยินฟังธรรมได้มาได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นของจริง และผู้ที่สอนก็เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็จะไม่สร้างความสงสัยให้กับผู้ฟังแต่จะกลับทำให้เกิดศรัทธาภะสาธะที่อยากจะศึกษาปฏิบัติตามออกบวชตามเหมือนในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วและเริ่มประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกเพียงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก ก็มีผู้ผู้ฟังนั้นได้บรรลุธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมธรรมที่ได้แสดงไว้เมื่อกีน้นี้ที่ว่าธรรมไดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหนึ่งในปัญจวัคคีย์คือพระอ า, ยานยโกนทัญญะหลังจากที่ได้ฟังธรรมบทนี้แล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันปล่อยความยึดมั่นถือมั่น ในสภาพของการอยู่ยอมรับสภาพของความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการสูญสิ้นดับไปเป็นธรรมดาดังหลังจากที่แสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งทั้งปัญจพระปัญจวคีทั้งห้ารูป ก, ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระสงฆ์ต่อไปและช่วยเหลือพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาในสมัยพุทธกาลจึงมีผู้ที่ <c oughs> ได้รับประโยชน์อย่างมากจากพระพุทธศาสนาเพราะทุกๆคนที่มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนานั้นรวนปฏิบัติตาม แนวทางที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัดจึงมีผู้ที่บรรลุธรรมเป็นจํานวนมากเลยทําให้ศาสนามีรากฐานที่มั่นคงทําให้มีอายุยืนยาวนานมาได้จนถึงปัจจุบนันนี้เพราะพระนักบวชทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่า ถ้าต้องการที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในฐานะนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้คือหนึ่งต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสองหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติสเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นต่าง ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระาอารหันต์เป็นลำดับต่อไปเรื่องเหล่านี้เรียกว่ามรรคผลผนิพพานหลังจากที่ได้บรรลุทำแล้วยึงนำเอาธรรมเหล่านี้ที่ตนเองได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติ ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างการศึกษานี้เปรียบเหมือนกับการกดูแผนที่หรือถามทางคนว่าถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปถ้าเราจะไปโดยที่ไม่มีแผนที่หรือไม่มีคนที่เคยไปบอกเราเราก็จะหลงทางได้เพราะเราไม่รู้ว่า ที่ที่เราต้องไปนั้นอยู่ที่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้อยู่ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกแต่ถ้าเรามีแผนที่หรือมีคนที่รู้ทางบอกทางเราเราจะได้รู้ว่าทางที่เราจะต้องไปนั้นไปในทิศทางไหนก็จะทำให้ไม่เสียเวลาและไม่หลงทางแต่หลังจากที่เรารู้แล้วว่า ทางที่เราจะต้องไปนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ทางทิศไหนแต่ถ้าเรายังไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถึงแม้จะรู้แล้วแต่ไม่นำไปปฏิบัติ <c oughs> ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่วันนี้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าทำทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านรู้แล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจากเราไปจะต้องพัดพรากจากเราไปแต่เราปล่อยวางกันได้หรื อ, อยังถ้าเรายังไม่ปล่อยวางก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือเราอยากจะปล่อยวางแต่เรายัง <c oughs> ยังปล่อยไม่ได้เราก็ต้องปฏิบัติเพราะมีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ เมื่อมือนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเราต้องการปล่อยวางก็ขอให้เรานํำทำทั้งสามนี้คือทานศีลภาวนามาปฏิบัติทําบุญทําทานรักษาศีลบําเพ็ญจิตภาวนาเมื่อเราบําเพ็ญจิตภาวนาไปแล้วจิตของเราก็จะมีกําลัง ที่จะต่อสู้กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะปล่อยวางได้เมื่อเราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะเกิดความสบายอกสบายใจสิ่งที่เราเมื่อก่อนนี้คอยห่วงคอยกังวลคอยทุกข์คอยมีความว้าวุ่นขุ่นมัวด้วยต่อไปสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีความไม่มีปัญหากับเรา เพราะเราไม่ไปสนใจใจดีเก่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเมตตาเราไม่มีความอาทรต่อสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราเคยปฏิบัติอย่างไรกับเขากับบุคคลต่างๆกับสิ่งของต่างๆเราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าใจของเราไม่ได้หวังอะไรจากเขา ไม่ได้หวังให้เขาอยู่กับเราไปนานๆไม่ได้หวังให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นไปเพราะใจเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักของความจริงนั่นเองเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็ถือว่าใจของเราหลุดพน้นใจเราได้บรรลุธรรมธรรมก็มีหลายขั้นเพราะสิ่งที่เราติดอยู่เรายึดอยู่มีหลายอย่างด้วยกันหลายชนิดด้วยกัน เราต้องค่อยๆลดค่อยๆละไปเรื่อยๆในเบื้องต้นก็ลดละสิ่งของภายนอกบุคคลภายนอกไปก่อนขั้นต่อมาก็มาลดละร่างกายของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดร่างกายของเราที่แท้จริงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแต่ธ <c oughs> าตุสี่ที่มาทางอาหารเมื่อรับประทานเข้าไปก็จเจริญโตโตงอกงามมีอาการ32 จิตผู้หลงผู้มีกิเลสก็มาครอบครองแล้วก็หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจศึกษาไปแล้วก็ค่อยปล่อยวางไปแล้วต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีความรักความชอบในสิ่งต่างๆที่เราต้องปล่อยวางเช่นกา ม, มาสุข ที่เกิดจากการมาตัหาความอยากในการเราก็ต้องปล่อยวางเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราไปรักไปชอบนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามรูปร่างหน้าตาของคนเรานั้นพอดูได้แต่เพียงเฉพาะเปลือกนอกคือผิวหนังเท่านั้นเองถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้ว<ม>ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆน้อยใหญ่ที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในของร่างกาย รวมถึงสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่ร่างกายจะต้องมีการขับถ่ายออกมาถ้าพิจารณาอย่างสม่าเสมอด้วยปัญญาด้วยความแยบคายก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายที่สวยงามไม่ใช่เป็นร่างกายที่สะอาดหมดจดแต่เป็นร่างกายที่โสโครกเป็นร่างกายที่มีแต่ความไม่สวยไม่งาม แม้ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นอย่างนี้ในขณะที่ตายไปยิ่งสกปรกยิ่งหน้าเกลียดหน้ากลัวขึ้นไปใหญ่แต่นี่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยพิจารณากันไม่ค่อยคิดกันก็เลยเกิดความรักความยินดีในร่างกายเห็นเพศตรงกันข้ามแล้วเกิดเกิดความอยากที่อยากจะอยู่ใกล้ด้วยอยากจะสัมผัสด้วย เพราะเห็นเพียงแต่อาการภายนอกไม่เห็นอาการภายในจึงทำให้เกิดมีความยึดติดยืนในร่างกายของเพศตรงกันข้ามกันแต่ถ้าได้ศึกษาได้พิจารณาอย่าง <c oughs> ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอต่อไปเวลาเห็นร่างกายของเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตายก็จะเห็นทะลุไปถึงอาการทั้ง ทั้ง32อาการเลยทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายของบุคคลของผู้อื่นเมื่อคลายความกำหนัดความยินดีจิตก็หลุดพ้นจากความเป็นทาตของกามตันหาความอยากในกามสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำพันโดยที่ไม่ต้องมีคู่ครองอีกต่อไป คนที่อยู่ตามลำพังได้นี้เป็นคนที่มีบุญมีกุศลเพราะไม่ต้องไปทุกข์กับเพื่อนคู่ครองพ่าเวลานีคู่แล้วถึงแม้จะมีความสุขบ้างแต่ถ้าเปรียบกับความทุกข์ที่ได้มาด้วยแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวเพราะมาอยู่ด้วยกันก็จะต้องมีการทะเลาะบอกแวงกันมีการขัดใจกันมีความไม่พอใจกันหรือถ้า ไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการขัดแย้งกันมีความรักกันก็ต้องมีความห่วงใยกันกลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่ตามลำพังไม่ได้เรายังมีความหลงอยู่ยังมีความยินดีในกามอยู่นั่นเองจึงทำให้เราไม่สามารถที่อยู่ตามลำพังได้ เราต้องยอมรับความทุกข์ที่มากับความสุขที่ได้จากการเสพกามโสุขแต่ถ้าคนฉลาดเจริญธรรมให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ไม่สวยงา ม, มเป็นปฏิทูลของสโปรกจนกระทั่งปล่อยวางได้ก็จะไม่ยินดีกับการมีคู่ครองต่อไปก็จะสามารถอยู่ดำรงตามลําพังได้เพราะจิตที่ไม่มี กามาตัณหานั้นเป็นจิตที่สงบสงัดจากกามเป็นจิตที่มีความสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขโดยธรรมชาติของจิตเองและเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่เลิ่อกว่าความสุขที่ได้จากการเหตการณดังที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงอยู่เสมอว่าความสุขอันใดในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใด จะดีเท่ากับความสุขของความสงบของจิตนี่ที่เรียกว่าสันติสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดเพราะมันอยู่ในจิตของเราและไม่ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำให้จิตนั้นมีความสุขและไม่มีใครจะสามารถแย่งชิงความสุขนี้จากเราไปได้ ไม่เหมือนกับการมาสุขที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราและถ้าเราเผลอก็อาจจะถูกคนอื่นเขาแย่งคนคนนั้นจากเราไปก็เป็นได้ถ้าถูกแย่งไปใจของเราก็จะต้อ ง, องเศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือโทษของการมาสุขความการมาสุขนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง การมาสุขนี้มีโทษซ่อนอยู่มีความทุกซ่อนอยู่ซึ่งเปรียบเหมือนกับระเบิดเวลาที่จะระเบิดขึ้นมาเวลาไหนเราก็ไม่รู้สามีของเราภรรยาของเราจะจากเราไปแบบไหนเมื่อไรเราก็ไม่รู้จะหย่ากันจะไปมีสามีใหม่ภรรยาใหม่หรือจะตายจากเราไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเรายังหวังเรายังยึดยังติดอยู่กับเขาเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปเป็นธรรมดานั่นเองนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเพราะว่าพวกเรานั้นยังไม่ใช้ลิ้นของเราให้เป็นประโยชน์เรากลับไปใช้ทับผพียคือใจของเรานั้นเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทับผพีก็ได้เป็นลิ้นก็ได้ถ้าเป็นลิ้นก็ต้องสังเก เชิเตืนสติสอนใจเราอยู่เสมอต้องก้าวหาธรรมอยู่เสมอฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมก็หาหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่เสมอเพราะเมื่อได้อ่านแล้วเราก็จะได้จดจํามันจะไม่ห่างจากใจของเราธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับอาวุธอาวุธนี้ถ้าเราเก็บไว้ห่างตัวเราเวลาที่เราจะต้องใช้ก็จะไม่ทันการ แต่ถ้าเรามีอาวุธติดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเวลามีค่าศึกศัตรูมาจะทำร้ายเราเราก็สามารถชักอาวุธนี้ออกมาต่อสู้ได้ทันทีทันใดธรรมะก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่สร้างให้มีอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาเราลึกถึงทำคำสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเราจะไม่มีธรรมอยู่ใกล้ตัวเราและเมื่อมีกิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาเราจะไม่สามารถต่อสู้ทําลายกิเลสตัณหาได้ถ้าเราไม่ทําลายกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะพาเราเข้าสู่กองทุกข์อย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เรายังใช้ใจของเราเป็นแบบลักษณะเป็นทัพพีในหม้อแกง คือถึงแม้เราจะได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับศาสนาเท่าไหร่ฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปพอเป็นพิ ธ, ธีไปเท่านั้นเองไม่เคยคิดว่าจะเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมาทําให้เกิดประโยชน์ฟังไปแล้วก็แล้วกันไปผ่านกันไปชีวิตก็ยังดําเนินไปแบบดั้เดิมอยู่เวลาเห็นอะไรชอบอะไรอยากได้อะไรก็ยัง ต้องไปหามาสนองความอยากความต้องการอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นชีวิตก็เลยเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากนี้จะคอยเป็นเจ้านายคอยสั่งให้ไปหาสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาและเมื่อได้มาแล้วก็ให้ไปหาสิ่งอื่นมาอยู่ต่อไปอเรื่อยๆและเวลาสิ่งที่เราได้มา เกิดสูญเสียไปเกิดหายไปเกิดหมดไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเพราะก็เพราะว่าเราไม่มีธรร ม, มาวุธไม่มีธรรมไว้คอยต่อสู้กับกิเลสตัณหาอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้แสดงไว้ถ้าเกิดตอนนี้เรายังไม่มีคู่ครองพอไปเจอคนที่เราเกิดชอบขึ้นมาถ้าเรามีสติมีปัญญา เราลึกถึงอสุภกรรมฐานเราลึกถึงความไม่สวยงามของร่างกายเราลึกถึงความเป็นปฏิกูลของร่างกายมันก็จะทําให้ใจของเราคลายความกําหนัดยินดีอยากที่จะมีเขามาเป็นคู่ครองได้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมนี้อยู่ใกล้ใจของเราเลยเราจะลืมไปเลยเราจะคิดว่าจะทําอย่างไรจะได้อยู่กับเขาจะได้ ให้ได้เขามาเป็นคู่ครองของเราจิตมันจะคิดแต่เรื่องเหล่านั้นไปโดยตลอดเพราะนี่คือลักษณะของจิต ท, ที่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงาอยู่ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราจึงต้องนําแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติกับเรา คือเราจะต้องเข้าหาพระศาสนาอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องพระศาสนานี้ก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มาในรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันมาในลักษณะของการฟังเทศฟังธรรมก็มีฟังที่วัดก็ได้ฟังที่บ้านก็ได้เปิดเทปฟังฟังเทศฟังเทศทางสถานีวิทยุทางสถานีโทรทัศน์ก็ได้ หรืออ่านหนังสือธรรมะในหนังสือต่างๆก็ได้เหล่านี้ร้วนเป็นการเข้าสู่พระศาสนาเข้าสู่การศึกษาเมื่อเราศึกษาอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติต่อไปคือไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมจเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญา คือายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นายรักทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดได้เห็นว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นของไม่มีตัวตนก็จะปล่อยวางและถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้น ใจก็จะไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องให้ความสุข